ด้วยวิสุทธิเพียงเท่านี้เป็นอันพโยคาวจรผู้นั้นได้ทำการกำหนดสัจจะสามอย่างแล้วได้สามสัจจะเลยนะตรงๆเลยสมสัจจะสัจจะมีอะไรบ้างกำหนดอย่างไรคือก่อนอื่นในทิฏฐิวิสุทธิเป็นการกำหนดนามรูปก็เป็นอันได้ทำการกำหนดทุกขสัจจะนะเพราะอะไรเพราะกำหนดสังขารกำหนดนามรูปกำหนดอุปาทานขันห้ากาหนดอาหารสี่กหนดอ วิญญาณทิฏฐิเเป็นต้นกำหนดโลกธรรมแต่ 8, หรือแม้กระทั่งกำหนดอายตนะ12บกำหนด58กำหนดห้าสีเป็นต้นนั้นการที่มีความรู้ความสามารถกำหนดจำแนกแยกแยะได้อย่างมากกว้างขวางในภพภูมิต่างๆทุกอารมณ์ต่างๆอันนั้นแหละเป็นการกำหนดทุกขสัจจะในกังขาวิตรณวิสุทธิด้วยสามารถการกำหนดถือเอาปัจจัยก็เป็นอันได้ทำการกำหนด สมุทยัยสัจจะกำหนดปัจจัยนะการกำหนดปัจจัยก็ต้องกําหนดปัจจัยในการสามทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน <Okay. S 1> ในมัคคามคคยานทัศนวิสุทธินี้ด้วยการเลือกเฟ้นธรรมะที่เป็นมรได้โดยชอบก็เป็นอันได้ทําการกําหนดมัคสัจจะการกําหนดสัจจะสาเป็นอ่าเป็นอันพระโยคาวจรนั้นทําได้ด้วยโลกิยะยานนั่นเองตามประการดังกล่าวมาชนิกร ส่วนโลกุตระเอ่อขอไปนิโรสัจจะก็รู้ได้โดยอนุมานใช่ไหมโดยคาดแต่เป็นคาดตามความเป็นจริงว่าถ้าดับอวิชชาตันหาได้ก็ดับทุกดับดับสมุทยัยดับกองทุกได้แต่ก็รู้ว่าจะต้องมีอารมณ์ตัวหนึ่งที่ทําให้ดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงกันนะก็ว่าสิ่งนั้นก็ต้องเป็นวิสังขารที่ไม่ใช่สังขาร ลองเปิดไปดูหน้า65นิดหนึ่งนะหน้า65เนี่ยนะที่บอกว่าใครที่กำหนดปัจจัยได้เรียกว่าจุลโสดาบันใช่ไหมที่บอกว่าก็ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาผู้ถึงพร้อมด้วยยา น, นี้ชื่อว่าผู้ได้ความโล่งใจในพระพุทธศาสนาได้ที่ตั้งมั่นมีคติแน่นอนเป็นจูลโสดาบันทีนี้ดีกาท่านอธิบายว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นจูลโสดาบัน เพราะว่าผู้นี้ยสามารถกําหนดรู้ทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดนามรูปกําหนดสมูทัยด้วยการกําหนดปัจจัยกําหนดมรด้วยตัวอนุปัสนาเจตนี้เป็นมรด์หน้าเป็นโลกิยมรด์ที่จะทําให้บรรลุโลกุตระในขณะเดียวกันจิตใจของท่านก็โอนไปสู่อสังขตธรรมโอนไปสู่พระนิพพานนี่ก็เป็นการกําหนดสัจจะที่มั่นคงมากถ้าเทียบกับปัจจยะปริคหายานเคยมีผู้ถามว่า กุณรัตนานี่แหละทางปัจยะปริคหายานกับอุทยะพย า, ยานญต่างกันอย่างไรใช่ัหมต่างกันไหมต่างต่างตรงไหนต่างกันว่าปัจยะปริคหายานนั้นเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเฉพาะนามรูปเสร็จแล้วมากำหนดปั จ, จัจส่วนอุทยพยั า, ยานเนี่ยนะทำตีรณะปริญญาเสร็จแล้วกำหนดปัจจัย ทีนี้กําหนดปัจจัยในระดับสูงเนี่ยนะเป็นการกําหนดปัจจัยในระดับสูงที่แยกแยะเป็นสัจจะอะไรได้อย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอนุปัสนาเป็นต้นเนี่ยจะเข้าใจชัดต่อเมื่อได้อุทยภยญาณเพราะที่เหลือไหมทางเดินมันจะเหลือทางเดียวแล้วตอนที่เป็นปัจจยะ ป, ปริคหายานสัมมาสัญญ า, านเนี่ยนะทางเลือกมันเยอะไปหมดเลยมันมันอะไรนะมันคือคืองานเนี่ยมันยังไม่เหลือเป็นบทสรุปอ่ะนะ มันยังมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะๆไปหมดเลยแต่ถ้าได้ผ่านมัขามัคคยานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะถ้าผ่านวิปัสนาปกิเลสไปแล้วเหลือสิ่งเดียวคืออนุปัสนา7อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นมาปนนะเป็นการสํานวนว่าเป็นการเดินทา ง, ทางสายตรงไม่มีเบี่ยงอีกแล้วนะจะไม่มีเบี่ยงแล้วถ้าตั้งแต่ได้อนุปัสนายาณ7หลังมัขามัคคยานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะ จะไม่มีการการเป็นอื่นไปแล้วไอ้คำว่าไม่มีการเป็นอื่นแปล ว, ว่าไม่มีคำว่าเถียงกันจะไม่มีการเข้าใจผิดเลยจะไม่มีการเข้าใจผิดในสูตรหนึ่ ง, งนะที่พระองค์ตรัส ก, กับพระอานนท์ที่ที่กินติสูตรหรือสูตรไหนที่บอกว่าสาวกของเดรธีเขาทะเลาะกันแล้วพระพระพระอนนท์ก็เอาเรื่องที่เดรธีเนี่ยทะเลาะกันเนื่องจากนิครนตายมาเล่าถวายพระพุทธเจ้า ทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าการทะเลกกาะกันเรื่องศีลเรื่องอาชีพเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลกกาะกันเรื่องศีล น, นะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ที่ทะเลาะ ก, กันยิ่งเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเรื่องทิฏฐิเรื่องข้อปฏิบัติทีนี้แต่ถ้าผู้ที่ผ่านมขามขาัคคาน ะ, ท, ะนาทัศนวิสุทธิไปแล้วจะไม่มีการเถียงกันทาไมไม่เถียงกันเพราะเหลือทางอยู่ทางเดียว ทางที่จะทําให้อย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าตั้งแต่อนุปัสนาจเส็จไปแล้วเหลือทางเดียวเนี่ยถูกตรงที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพระองค์ยืนยันตลอดเลยว่าทางนี้คือทางสายเอกเนี่ยนะทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกระปริเทวะเพื่ออัศดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัทเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนะเพื่อทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นเนี่ยนะทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ พิจารณาเห็นกายโดยอนุปัสนาเจมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสพิจารณาเห็นเวทนาโดยอนุปัสนาเจมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสพิจารณาเห็นจิตโดยอนุปัสนาเจตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสพิจารณาเห็นธรรมโดยอนุปัสนาเจมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสถ้าปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับอนุปัสนาเจที่ข้ามพ้นวิปัสสโนปกิเลสไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเป็นไปตามนั้นจริงๆทางเดียวจริงๆไม่มีทางอื่นอีกเลยแต่ถ้าในเบื้องต้นนะโอ้ต้องมาบอกว่าคุณจะเอาแบบขันหรือแบบท่าหรือแบบอายตนะหรือแบบคื อ, ค, อคือมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมในในเบื้องต้นแต่พอไประดับสูงมันก็เหลืออยู่เส้นเดียวคืออนุปัสนาเจนะคือตัวอนุปัสนาเจ ทีนี้ถ้าอนุปัสนาเจ็ดเกิดแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เหลือต่อไปก็คือทํายังไงอินทรีพระโพธชงองค์มรดยประชุมกันเมื่อเจริญอ น, อนุปัสนาไปแล้วกิจที่เหลือคือทํำยังไงโพษชงเจ็ดจะประชุมกันมรดแปดจะประชุมกันเนี่ยนะนั่นแหละข้อปฏิบัติที่สําคัญที่สุดแต่ว่าไอ้ตัวหลักๆอย่างไรเสียก็ต้องเป็นไปตามอนุปัสนา 7. เจ็ดอนุปัสนาเจ็ดเป็นเป็นหัวหอกนะเป็นหัวหอกที่ทิม ที่เพื่อให้ทะลุทะลุอะไรทะลุกำแพงคืออวิชชาแต่ทีนี้หอกคมหอกอย่างเดียวเจาะทะลุได้ไหมสว่านนี้มีแต่หัวสว่านคมๆใช้งานได้ไหมไม่พอต้องมีอะไรอีกมีด้ามมีอะไรมีองค์ประกอบอีกใช่ไหมนี่ก็เหมือนการปัญญาอย่างเดียวไม่พอที่จะบรรลุแต่ถ้าขาดปัญญาสะอย่างเดียวก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะก็อย่างนี้แหละ ท่านบอกว่าที่เรียบเรียงคำพีเนี่ยนะเพื่อปราโมทแห่งสาธุชนนะทำไมท่านเอาง่ายๆอย่างนี้ลละเราฟังแล้วปราโมทบางหรือวปล่าไม่ทราบรือง่วงเลยอูย้ลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากอย่างนั้นนะททำไมอะ่ะ <c oughs> ก็ฟังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อ่างั้นง่วงมากคงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ ท่านทำไมนะเมื่อก่อนนี่เขามาสงสยัยบอกน่าจะบอกว่าแต่งเพื่อให้เอาสาธุชนเอาไปปฏิบัติไปอะไรนะทำไมจึงแต่งให้แค่ปรามโมทเราไม่เห็นด้วยเลยทำไมปรามโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปสสัตถีปสสัตถินำมาซึ่งสุกสุกนำมาซึ่งสมาธิสมาธินำมาซึ่งการรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบอร์นายเมื่อเบอร์นายย่อม คลายกำนัดเพราะฉะนั้นถ้าปราโมทนะแสดงว่าไม่ต้องห่วงว่าเอาไปปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรียบเรียงมาแล้วคนฟังไม่ปราโมทนะเชื่อเลยว่าเอาไปทําอะไรไม่ได้ไปใช้งานอะไรไม่ได้เพราะถ้าฟังแล้วปราโมทแสดงว่าเข้าใจได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าฟังแล้วมันมันโมโมอ ย, อยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันยังกตีสี่ตีห้ามันยังไม่ค่อยแจ้งเลยนะแต่เกือบละเกือบแล้ะก็กลับไปฟังเทพเอาเถอะนั่น ก็วิสุทธิต่อไปเลยนะขึ้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเดินทางสายเอกสายเดียวแล้วคนนี้ไม่มีเลี้ยวไม่มีโคง้งตรงอย่างเดียวตรงอะไรตรงไหนตรงสู่ทมเป็นที่ดับทุกข์นั่นเองก็จริงๆนะวิสุทธิมรรคเนี่ยใครจะอ่านมาถึงหน้านี้ได้ก็เก่งแล้วนะขอมาว่านะ่ต้องว่าใครปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้นะ ก็ใครไได้กวาดสายตาผ่านมาจนถึงระดับนี้นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะเปิดแล้วหาวทุกทีเปิดแล้วหาวทุกทีเนี่ย น, นียุ่งมากเอาไว้ก่อนเราบุญน้อยอย่างง้นะว่าไปนี่มาขึ้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหน้าหนึ่งร้ยเก้าสิบข้อเจ็ดร้อยสาสบกล่าวว่าก็วิสุทธินี้คือ วิปัสนาที่ถึงยอดด้วยอํานาจแห่งยาน8ดและยานที่9คือสัจจานุโล ม, มิกายานถ้าดูตามนี้นะสัจจานุโล ม, มิกายานคือยานที่9ส่วนวิปัสนาญาณนี่มีหูแเฉพาะอันนี้เฉพาะหน้านี้นะที่พูดหน้านี้ก็คือวิปัสนาญาณทั้ง8ดและอนุโลมมิญาณที่9เนี่ยชื่อว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ ก็คำว่ายาน8ดนะนี้เพิ่งทราบว่าได้แก่ยาน8เหล่านี้คือ 1. อุทยพยานุปัสนาญาณประเพธพลวัภพลวัพลวะเนี่ยนะคืออุทยพยานนี้แบ่งออกเป็นสองใช่ไหมคือตรุณะดรุณกับพลวะคือมีกําลังตรงนี้เป็นอุทยพยะแบบพลวะมีกําลังที่พ้นจากอุปกิเณสแล้วคือผ่านวิปัสสนูปกิเลสแล้ว ที่ได้ที่เรียกได้ว่าเป็นวิปัสนาดําเนินไปตามวิถีแล้วมันวิปัสนาจริงๆนะเริ่มมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอย่างเดียวเนี่ยเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรียกที่ผ่านมานะถ้าเป็นสำนวนพระไตรปิฎกพุทธพจน์จริงๆพ อ, องใช้ศั์เดียวแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงคิดง่ายๆนะตั้งแต่หน้าหนึ่งจนถึงหน้าหนึ่งร้อยแปดสิเก้าเนี่ยพุทธพจน์ใช้อยู่สั์เดียวว่ารู้เห็นตามความเป็นจริง ส่วนตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเป็นต้นไปเรียกว่าย่อมเบอรนายย่อมเบอนายไปคลายกำหนัดเอาหน้าอะไรถูกไหมไปคลายกำหนัดเอาหน้าหนะึ่งรอยสามร้อยสิบอันไหน แล้วก็คิดง่ายๆ ง, ยยงี้นะหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเรียกว่าย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงหน้าหนะึ่งร้อยเก้าสิบถึงหน้าดูนะสามร้อยเก้านะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบถึงหน้าสามร้อยเก้าเรียกว่าย่อมเบอรนายอนะหน้าสามร้อยสิบเรียกว่าย่อมคลายกำหนัดแล้วก็แทรกอันนะ เมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะนะแทกหลุดพ้นกับย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแทรกแทรกกันไปเนี่ยนะนพุทธพจน์ไม่กี่คำนะถ้าใครท่องอะไรนะอธิตะปรียญสูตรมาได้ใช่ไหมอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะอมหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นเล่มๆ เ, เลยมีน้าเข้าใจยากอย่างเอง เ, องเนาะนี่กลับมาหน้าหนึ่งรอยเก้าสิบตามเดิมเลยไป ข้อแรกก่อนนะวิปัสนาญาณ8ดที่พูดถึงคือหนึ่งอุทยพย า, ยานุปัสนาญาณสองพังคานุปัสนาญาณสามพยตุปัฐานญาณสี่อาทีนวานุปัสนาญาณหนิพิถานุปัสนาญาณหมุนจิตุกรรมมยตายานเจปฏิสังขานุปัสนาญาณ8ดสังขารุเปกขาญาณบางคนก็บอกทำไมไม่เห็นมีตัวเลขเลยก็ง่ายมากกระดินสอก็มีปากาก็มีก็เขียนลงไป น, นะเขาแจกแล้วหนังสืออะ มันก็วิปัสสนาญาณ8ดเหล่านี้นะต่อไปว่าญาณที่เก้าคือสัจญานุโล ม, มิกญาณบวกคําว่าสัจจะบวกอนุโล ม, มิกะบวกญาณญาณที่อนุโลมต่อการรู้อริยรสัจสัจญานุโล ม, มิกญาณก็คือญาณที่อนุโลมต่ออริยสัจอ่าบอกนิดนึงว่าอนุโลมต่ออะไรคืออนุโลมต่อวิปัสสนาญาณตั้งแต่พังขยานเป็นต้นมาอนุโลมต่อตั้งแต่อะไรนะขอไปอนุโลมตั้งแต่ อนุโลมต่อยานแปดหนึ่งอุทยับสองพ 2, ังคะสามพยตุเป็นต้นเนี่ยนะอนุโลมต่อวิปัสนาญาณทั้งแปดที่ข้างหน้าจะบอกว่าวิปัสนาญาณแปดเหมือนอมตะแปดคนที่วินิจฉัยคดีนี่ในหนึ่งอีกในที่หนึ่งก็อนุโลมต่อโพธิปักขียธรรมอสัจจานุโลมมิจยานอนุโลมต่อโพธิปักคียธรรมพออนุโลมเสร็จก็บรุเลยบรรุโสดาปฏิมักนะถ้าได้ดีใจเยอะเลยนะผลสตีแล้วนรก เห็นปลาเลิกกลัวแล้วบอกว่ายิ้มแป้เลยบอกฉันทนแล้วฉันไม่ไปอยู่บ่อเดียวกันพวกแกหรอกว่ากันแยกพบแยกภูมิกันแล้วปลาเอยตอนนี้พูดไม่ได้นะตอนนี้โอ้ยดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราถ้าเราไม่เห็นอริยสัจนะเราก็จะเป็นเหมือนท่านนี้แล้วเนี่ยฉันสัจจานุโลมิจยานก็เป็นชื่อของอนุโลมายา น, นั่นเอง เพราะฉะนั้นพระโยคีผู้ต้องการจะทำปฏิปทายานทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงทำความเพียรในญาณเหล่านั้นโดยทำอุทยพยานอุทยพยา ย, า อ, ย, ย, ายาอันพ้นแล้วจากอุปกิเลสให้เป็นต้นไปเถิดหมายความว่าถือเอาอุปเอาวิปัสนาญาณ8ดใช่ไหหนึ่งถือ อ, อะไรเป็นหนึ่งอุทยพย า, ยานุปัสนาญาณสองพังคยานสามพยตุปทานญาณสี่อาทีนวญาณห้า นิพพิธายานหกมูลจิตุกรรมมยตายานเจ็ดปฏิสังขานุปัสสนายานแปดสังขารุเปกขายานชื่อญาณยังจำมันกยจะได้เลยจะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเป็นายเรียนวันนี้ก็คุ้นคุ้ น, นหูไปก่อนนะบอกโอ้ยโสตวิญญาณที่เป็นผลของบุญเก่าได้เกิดขึ้นแล้วได้ยินว่านี่ญาณอย่างเงี้ยนะถ้าใครไม่ว่าเราไม่มียาณไม่ได้นะเรามีโสตวิญญาณได้ยินนะ เพราะยาไม่มีอยู่หลายใช่ไหมหนึ่งสัญญาก็ยาเหมือนกันนะสัญญาเน่ยนะสัญญากับสัญญาเนี่ยอันเดียวกันสองวิญญาณสามปัญญาก็คือปัญญาณน่ยนะอันเดียวกันนะปัญญากับปัญญาณอันเดียวกันแบบสัญญาใช่ไหมวิญญาณแล้วก็ปัญญานะก็คือปัญญาปัญญาณนี่เราก็มีตั้งหลายยาเนาะสัญญาและวิญญาณ ตอนนี้กําลังเจริญปัญญาญาณอยู่ห่างั้นหากจะถามว่าทําความพยายามในอุทย พ, พยัญายาอีกจะมีประโยชน์อะไรแล้วทําไมต้องกลับไปทําอะไรซ้ําๆอันนะก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเราอ่านหนังสือใช่ไหมเปิดมาถึงก็อ่านหน้าต่อที่เราขั้นไว้เลยทําไมจะต้องกลับไปอ่านของเก่าอีกทําไมก็บอกว่าตอบว่ามีการกําหนดลักษณะเป็นประโยชน์มีประโยชน์อยู่นะ โดวยว่าอุทยพยัญญที่กล่าวแล to to ้วในหนหลังเป็นธรรมชาติที่เศร้ามองไปด้วยอุปกิเลสทั้งสิทธ์ก็ไม่อาจที่จะกําหนดไตรลักษณ์โดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงได้คือก็กําหนดนะเป็นการกําหนดคือยังมัวมวอยู่นะเหมือนอะไรเตือนมาไม่ทันล้างหน้าล้างตาอะไรซากอยากแล้วก็ดูหนังสือบอะไรนะมัวมวอยู่นั่นแหละก็คือเห็นอะไรไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนกับคนใช้แว่นเป็นปกติแว่นไม่เคยล้างเลยอะ โมโ ม, ม, มอย่างนั้นแล้วมาดูอะไรก็พอเห็นนะแต่ว่ามันเห็นอะไรก็ไม่ค่อยชัดอย่างนั้นนะแต่ว่าอุทยพยัญายาที่พ้นจากอุปกิเลสแล้วย่อมอาจกําหนดได้เพราะฉะนั้นพึงทําความเพียรในอุทยพยัญายา น, นี้อีกเพื่อกําหนดลักษณะให้ชัดขึ้นให้ชัดขึ้นให้ชัดขึ้นอ่านะชัดยังไงอนนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยกําหนดความเกิดความดับรั้วนี่จังทุกขังอนัตตายัางไงตอบแบบมีหลักการ และอังอองได้ด้วยหน้าไหนหน้าไหนหน้าอะไรนะใช่เ ห, หน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ หน้า167เนี่ยนะพี่ีมมณสิการอา น, นิจังใช่ไหมว่างไงอา น, นิจังทุกขังอนัตตาบอกว่าเหด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยแห่งพระโยคีนี้อนัตตาลักษณะย่อมปรากฏเรียกว่ารู้ความเกิดโดยปัจใจเนี่ยนะเรียกว่าอนัตตารู้อนัตตาลักษณะลักษณะความเป็นอนัตตาด้วยการเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมโดยขณะคือโดยลักษณะเนี่ยนะ ทั้งโดยอุทธินิพพติลักษณะและวิปริณามลักษณะ น, นี้อ น, นิจจลักษณะย่อมปรากฏแม้ทุกขลักษณะปรากฏเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นและความบีบคั้นคือด้วยความเกิดความเสื่อมแห่งอะไรแห่งลักษณะนั่นแหละคือหมายคำ ว, ว่าถ้ารู้ลักษณะเนี่ยน ะ, ะรู้โดยปัจจัยชื่อว่ารู้อนัตตารู้โดยลักษณะนี้ชื่อว่ารู้โดยขณะหรือโดยลักษณะชื่อว่ารู้อนิจจังกับทุกขัง อย่งนีหนะังสือเหมือนเขาาพิมพ์ไม่ค่อยเสร็จเนาะถ้าย่อหน้าบ้างอะไรบ้างจะง่ายกว่า น, นี้เยอะเนี่ยนะเดี๋ยวเขามาตั้งโรงพิมพ์กอนพิมพ์ให้ย่อหน้าเยอะๆหน่อยได้ไนหะนี่โยมมีบุญมากแล้วได้ใช้เล่มนี้อะ <laughs> เล่มอื่นก่อนหน้านี้หนักกว่า น, นี้อีก <laughs> นี่รุ่นนี้ก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะไปดูอีกฉบับหนึ่งเถอะ ตัวก้นนี้เดียวพึดไปหมดเลยทีนี้มาดูต่อไปว่าที่ว่ากำหนดอ น, นิจจารักษณะนะในหน้า191ข้อ739บอกว่าก็ลักษณะทั้งหลายไม่ปรากฏเนี่ยเพราะถูกอะไรปิดบังเอาไว้เพราะเหตุเพราะไม่มนสสิการอะไรตอบว่าแรกก่อนเริ่มต้นเนี่ยนะ ก่อนอื่นอันนี้จะลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกสันตติปิดบังไว้เหตุไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปไม่ยอมคิดว่ามันเกิดยังไงแล้วมันเสื่อมอย่างไรเนี่ยนะคิดง่ายๆอย่างนี้นะถ้าบอกมองอายุคนร้อยปีเนี่ยนะก็ต้องมองว่าตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุห้าสิบขาขึ้นห้าสิบลงไปถึงร้อยเรียกว่าขาลงขาขึ้นกับขาลงไงนะเพราะไม่มนสิการขาขึ้นกับ ขาลงไม่มาไอ้เครื่อไม่มนัสิการความเกิดว่าเออมันค่อยๆก่อกตัวมาอย่างไงแล้วก็ความเสื่อมเสื่อมไปอย่างไรมันไม่รู้ความเกิดและความเสื่อมนี่แหละเรียกว่าถูกสัน ต, ติปิดบงังมองเห็นพึบติดกันไปหมดเลยนะแต่สมัยใหม่เขาเก่งนะเขามองอะไรก็จะมองเป็นกราฟใช่ไม้มขาขึ้นกับขาลงเป็นกราฟมองทุกอย่างเป็นกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้นะมันทําให้เห็นชัดถึงเรื่องความเกิด นะนอันนี้เกิดเป็นอย่างนี้นะนิพพติเป็นอย่างนี้วิปริณามะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็ทําให้ให้เข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะเนี๋ยนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขามายังนึกภาพไม่ออกเลยนะถ้าเป็นแบบชาวชนบททั่วๆไปไม่ได้ศึกษาวิชาอื่นมาบ้างเลยนะไม่รู้จักที่บายให้เข้าใจว่าอย่างไงที่บายยากมากเกิดเสื่อมนี่เกิดยังไงเสื่อมยังไงเนี่ยนะต่อไปทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถ ท, ทั้งหลายปิดบังไว้ เพราะเหตุไม่มนสัสการความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆอนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกคณะความเป็นกลุ่มก้อนปิดบังเอาไว้เพราะไม่มนสัสการถึงความแยกกันได้แห่งธาตุต่างๆคือไม่ยอมแยกแยะอะไรเลยเมื่อสันตติถูกกระชากออกเพราะกําหนดคือเอาความเกิดและความเสื่อมไปได้แล้วอันนี้จะลักษณะย่อมปรากฏตามสภาวะของตนตามความเป็นจริงอันนะี ความเกิดและความเสื่อมเนี่ยนะถ้าลองมาค่อยๆทบทวนถึงในในอะรูออ้ขอไปในรูปสัตตกะอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม ก, ก็ก็เริ่มเขาเริ่มแบ่งอย่างงี้ก่อนนะไอ้เกิดและเสื่อมเนี่ยเกิดตอนไหนเกิดตอนขาตอนชาติเสื่อมตอนไหนเอาแบบหยาบก่อนนะโดยอัดทาก่อนก็ตอนมรณะเกิดกับเสื่อมอดีตภพก็อีกชาติหนึ่งตัดไปเลยแบ่งเป็นสามชาติแล้วภายในหนึ่งชาติเนี่ยนะก็ต้องเอาเกิดไปถึง เสื่อมเช่นอายุร้อยปีขาเกิดขาขึ้นไหมไปจนถึง50ิปีถ้าขาลงกี่ปีอีกห้าสิบขาลงเกือบตายแล้วอย่างงี้ยนะเสร็จแล้วถ้าเป็นก็เริ่มมาซอยเป็นว่าเออร้อยปีมันก็ดูใหญ่ไปนะแบ่งเป็นสามวัยสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายแล้วก็แบ่งเป็นสิบช่วงแบ่งเป็นยี่สิช่วงยี่บห้าช่วงแบ่งเป็นห้าสิบช่วงแบ่งเป็นร้อยช่วงแบ่งเป็น ในในร้อยนี่ก็มาคูณ3อีกคือร้อยคูณสก็แบ่งตามฤดูเปลี่ยนทุกๆฤดูแล้วเปลี่ยนทุกสองเดือนเปลี่ยนทุกครึ่งเดือนส5บหวันแล้วก็เปลี่ยนทุกทุกอะไรนะเชา้าสายเย็นหัวค่ากลางดึกกรุงอรุณแบ่งเป็นวันละหช่วงหรือก็พูดแบบภาษาไทยแบบเปลี่ยนทุกชั่วโมงอ่ะนะทีนี้พอแบ่งไปอย่างนี้ก็ทุกอะไรทุกขาไปขามา แลเหลียวคู่เหยียดทุกยก ย, ย, ย่างย้ายหย่อนเหยียบยันแล้วก็เริ่มลงมาที่ที่ไหนมาแบ่งเป็นกลุ่มกรร ม, มชรโรบกลุ่มจิตชรูปกลุ่มอุตูชรโรบกลุ่มอาหารชะโรแล้วก็พิจารณาธรรมดารูปต่อไปซึ่งการพิจารณาดังดังกล่าวเนี่ยนะมันจะต้องรับปัญญาให้ไปคิดคิดคิ ด, คดพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะให้ให้อะไรนะเปิดกว้างโลกทางปัญญาบ้างนะ ไม่ใช่ให้แต่อวิชามันกว้างาใหญ่ไพศาลอยู่อย่างเดียวนะเปิดให้ปัญญามันกว้างไปทํากิจพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นถึงโดยการฟังเข้าใจแล้วแต่ไม่ยอมปั่นจะเข้าใจวิธีปั่นจักรยานกับปั่นจริงนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะก็อนี้ก็พยายามไปพิจารณาลักษณะนั้นอนะ่ะพิจารณาให้บ่อยๆให้มากๆจนมีความรู้ความเข้าใจจําแนกแยกแยะได้อย่างกว้างขวางแล้วก็พิสดารขึ้น เมื่อพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยนะจนมาถึงโดยอะไรนะโดยกรรมมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปและอาหารชรูปพร้อมกับธรรมดารูปเพราะนั้นกรรมชรูปก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นเกิดยังไงแล้วก็เสื่อมเสื่อมไปยังไงจิตตชรูปเกิดยังไงแล้วเสื่อมไปยังไงอาหารชรูปเกิดอย่างไรแล้วก็เสื่อมไปอย่างไรอุตูชรูปเกิดอย่างไรแล้วก็เสื่อมไปอย่างไรก็จะเริ่มแยกแยะนะคือคือของเราเนะี่ยจะมองเห็นใครก็ทึบๆไปเลยใช่มคลุมคลุมไปเรื่อยๆ แต่นี้ถ้าพิจารณาแบบแบบคนมีปัญญาประเริ่มนะนะเริ่มจําแนกเช่นเห็นโดยความเป็นแยกโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะพร้อมตั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยแบ่งอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันชาตินี้ก็แบ่งตัง้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วเกิดก็มาแบ่งทุกๆอะไรทุกๆ เ, เป็นสิบช่วงแล้วก็มาย่อยๆๆแล้วมาจําแนกเป็นกลุ่มกรร ม, มชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปธรรมดารูป ก็มาเริ่มมาแยกแยกแล้วเกรมมชรูปมีเกิดอย่างไรมีเสื่อมอย่างไรจิตตชรูปเกิดอย่างไรเสื่อมอย่างไรอาหารชรูปเกิดอย่างไรเสื่อมอย่างไรอุตูชรูปเกิดอย่างไรเสื่อมอย่างไรธรรมดารูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องมีอายุใช้งานอย่างไรเกิดอย่างไรเสื่อมอย่างไรแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้ามาพิจารณาหมดเลยนะพอพิจารณาได้อย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยนะลักษณะความเกิดและความเสื่อมก็ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมก็จะไม่มองอะไรก็บอกเหมือนเดิมปกติ ปกติที่มันไม่ปกติสิปกติที่มันเปลี่ยนไปนะมันก็จะเริ่มไม่มองเห็นว่าทุกอย่างเหมือนเดิมจะเลิกสันตติเนี่ยนะสันติเนี่ยสันกรรมสันติก็ถูกแยกออกมาจิตตะสันตติก็ถูกแยกออกมาอุตุสันตติก็แยกออกมาเพราะสันตติมีสี่กลุ่มกรรมสันตติจิตตะสันติอุตุสันติและอาหารสันติเขาจะแยกแต่ละสมุติก็ถูกแย่างนั้นก็ติดกันไปหมดเลยใชุ่มกรรมสันติะไรเป็นอะไรกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหพาะสันตม่กลุ่มกรรมสันต อันนี้แหละพอจําแนกแยกแยะอย่างนี้แล้วมองอายุของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งมากเข้าก็อ น, นิจจาลักษณะก็มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นแหมท่านแปลนะดูแบบสัน ต, ติถูกกระชากออกนะฟังสั บ, าาบยอย่างนี้ว่ามีนากากปิดบังเอาไว้งั้นนะเนอะจริงอะ่ะโมหะของเรามันเป็นหนากากถูกกชากโมหะออกไปก็เลยเห็นความจริงอ๋อแต่ละอย่างมันมีอายุอย่างนี้นี่เองอายุอย่างนี้นี่เอง เมื่ออิริยาบถถูกเพิกไปเพราะได้มนติการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองเนืองทุกทุกขลักษณะจึงปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงอย่างเช่นนะอย่างก็อย่างว่านะถ้าถ้าเอามาทบทวนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าพิจารณาในความไม่เที่ยงตั้งแต่อะไรตั้งกับชีวิตของแต่ละ ช, ชาติชาติอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันเป็นความทุกข์กันกับเกิดไปจนถึงตายความทุกข์ของแต่ละวัยแต่ละวัยตั้งกับปสมวัยมัชชิมะวัย ความทุกข์ของช่วงแต่ละ10ปีแต่ละ10ปีแต่ละ10ปีความทุกทุกสี่ปีความทุกทุกสามปีความทุกทุกสองปีความทุกแต่ละปีจนถึงว่าความทุกในแต่ละฤดูกาลความทุกในทุกสองเดือนแล้วก็ความทุกในทุกๆุิ้าวันความทุกของผู้ที่อนทุกกลางวันกลางคืนหรือทุกกลางวัน3ช่วงทุกกลางคืนสมช่วงความบีบคั้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นอย่างไร ความบีบคั้นขณะที่ไปขณะที่มาขณะที่แลเหลวขณะที่คู้กับขณะที่เหยียบเนี่ยนะความทุกขณะที่ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันความทุกเหล่านั้นก็จะถูกอะนะพออิริยาบทถูกเพิกเข้าใจปับ๊บก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะนี่ร่างกายของเราที่มันเป็นไปได้อยู่ดีรู ป, ปกายถ้ามันเป็นไปได้อยู่ดีก็เพราะมีอิริยาบทที่เหมือนกับจับสีนี่หมุนไปถ้าเราทั้งหลายอยู่แต่อิริยาบทเดียวมาตลอดชาติจะเป็นยังไง เนนะเป็นไงพิการไปนานแล้วพิการนานแล้วก็เน่าไปนานแล้วตายไปนานแล้วเดินอย่างเดียวก็ไม่รอดยืนอย่างเดียวไม่รอดนอนอย่างเดียวไม่รอดนั่งอย่างเดียวไม่รอดสรุปว่าขนาดยืนเดินนั่งนอนยังไม่รอดเลยนะ <c oughs> มันก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าเริ่มแยกแยะนะเริ่มเอากำมาชะรูปจิตแต่ชะูปอุตูชรูปโดยเฉพาะ จิตตชรูปคืออิริยาบถที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะกรรมมาชรูปเป็นไปได้เนื่องจากจิตแตชรูปคืออิริยาบถอาหารชรูปที่อาหารมันย่อยนักกินเสร็จก็นอนกินเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็กินกินเสร็จก็นอนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะอิริยาบถที่มันอิริยาบถเนี่ยมันทําให้รูปส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเพราะถ้าพิจารณาความเป็นไปของอิริยาบถว่าเพราะอย่างที่รู้กันไย่้ใช่ไหมโรคบางอย่างเกิดเพราะอิริยาบถไม่สม่ําเสมอถ้าอิริยาบถสม่าเสมอทุกทั้งหลายมันก็ไม่เเบบีียยดนนมากกั ทีนี้เมื่อวิจัยแบบนี้จะเริ่มเห็นว่าอิรยาบถนี่เป็นตัวสําคัญมากเพราะเราแบบอะไรนะพอเมื่อยปักก็พลิกแล้วพอเมื่อยปักก็พลิกแล้วแต่บางคนก็แบบแหมจะต้องนั่งนานๆให้มันเห็นทุกข์ซะก่อนมันเป็นทุกข์อยู่โดยปกติอยู่แล้วไปนั่งแกล้งให้มันทุกข์หรือมันไม่ทุกข์มันก็ทุกข์โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าผู้มีปัญญาเขาย่างเห็นนะั่นเดี๋ยวก็ผุดลุกผุดนั่งผุดเดินผุดนอนอุย้ยมันจะน่าลําบากขนาดไหนใช่ไหม มันเดือดร้อนจนอยู่อย่างเดียวไม่ได้อะนะบอกโอ้มาเดินเดินมาเหนื่อยถ้าได้นั่งแล้วสบายพอนั่งนานๆบอกก็ถ้าได้นอนแล้วสบายนอนไปนานๆาบอกถ้าได้ลุกขึ้นยืนก็คงจะสบายบก็หวังอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะแสดงว่าในแต่ละแห่งเนี่ย อ, อะไรนะเมื่อผ่านอีกสิ่งหนึ่งก็เลยเหมือนเป็นความสบายแต่ถ้าวิจัยรูปแต่ละสมุทฐานแต่ละสมุทฐานกรรมนี่เนื่องด้วยอิริยาบถ เนื่องด้วยอิริยาบถจิตะชั่รูปก็เนื่องด้วยอิริยาบถอาหารชัรูปก็เนื่องด้วยอิริยาบถอุตุชัรูปที่เป็นไปได้ก็เนื่องด้วยอิริยาบถรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาะเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อพิจารณาพวกอิริยาบถมากกว่าความเป็นไปแห่งอิริยาบถนั้นเป็นอย่างไรเข้าจะเห็นเลยทุกลักษณะนะเห็นถึงมหาบริหารจริงๆเลยนะในมหาบริหารรูปให้รูปเป็นไปได้มหาบริหารเวทนาบริหาร สัญญาบริหารสังขารบริหารวิญญาณเนี่ยนะดูแลขันห้ามเป็นภาระจริงๆเนะแต่แต่ก็ทำไงได้เนาะทำไงดีก็ดูแลกันจนชินซะและ้วชินชาซะแล้วอย่างนี้หรือเปล่าปกติทำใจได้แล้วหวังงั้นนะนะโอยถ้าทำใจได้คงไม่มาเรียนธรรมะหรอกเนาะที่เรียนธรรมะก็เพราะทำใจไม่ได้เนี่ยนะ จะทุกไปถึงไหนก็เ น, นี่ยนะพอพอสักทีแบบนั้นนะทีนี้เมื่อทําการแยกแยกะคณะคณะก็คือแยกกลุ่มนะแยกกลุ่มไม่เอาอะไรมาแยกคือแยกแยะโดยธาตุต่างๆเช่นธาตุสี่สิบสองนะโดยทำโดยธาตุสิบแปดนะโดยวิญญาณธาตุโดยธรรมธาตุเมื่อวิจัยธาตุพร้อมทั้งปัจจัยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลวิจัยอย่างละเอียดทีท้วนอย่างนั้นแล้ว อนัตตลักษณะก็ปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างนี่ได้รับการกระจายหมดแล้วมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อว่านันทโกวาทสูตรพรนันธะกาบอกว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีโคตัวหนึ่งตอนแรกก็คู่คนก็มองเห็นเป็นโคหมดเลยใช่ไหมเป็นเป็นโคตายเนี่ยนะเป็นโคตายแล้วก็นาคนฆ่าโคผู้ฉลาดหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาด ก็ชำละเนื้อโอชำระแหล่แแหล่เรียกว่าวิธีแแหล่โคก็ะอะอย่างเงี้ยเขาเอาไง้ไง้ท้องก่อนคือหมายคถาว่าจับไงยท้องพอไงายท้องปั๊บเขาจะกรีดตั้งแต่คอลงมาถึงทวารเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆชำละปาดออกมาพอชำระชำละชำระก็เอาหนังเนี่ยแผ่เป็นเป็นท่อนเสือเลยมันเขาจะชำละที่ไหนก็ได้ที่หินที่ดินที่ทรายที่ไหนก็ได้เพราะเขากรีดท้องแล้วก็ชำละกรีดหนังออกมาก็เอาเป็นหนังเนี่ยเป็นเป็นท่อนเสือปู แล้วก็ชำแหละเอาเนื้ออนะเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นชำแหละชำแหละชำแหละชำแหละก็จะเหลือแต่ซี่โครงนี่ถ้าเขาจะชำแหละต่อก็ตัดตัดตัดซี่โครงตัดขาตัดน่องตัดออกทีละน่องทีล ะ, ละน่องเหมือนนองไก่ก็ตัดออกไปอย่างนั้นน่ะนี่ถ้าชำแหละเอาแต่เนื้อล่ำล่ำเอ็นล่ำล่ำเอาเครื่องในตัดไตไส้พุงออกหมดเสร็จแล้วเอาหนังเนี่ยปกไว้ตามเดิมเนี่ยเขายัางเรียกว่าเป็นโคตัวเก่าหรือเปล่ายังเรียกแบบนั้นไหมไม่เรียกเนี่ยนะทำไมอ่ะ เพาะฉะนนท่านบอกว่าเพิ่งเห็นธาตุนี่เหมือนกับโคที่ถูกชำแหละเนื้อล่ำๆเอ็นล่ำๆพวกที่ยึดไว้เหมือนตันหาที่มันร้อยรัดปาญคําว่าปัญญาเป็นชื่อขอไอ้ศาสตราที่ชำแหละเป็นชื่อของปัญญาเน้นนี้ก็เหมือนกันจะได้รับการชำแหละมันถึงจะเอาหนังปกไว้ตามเดิมก็ถือว่าผ่านการชำแหละไปแล้วมันผู้ที่มีปัญญาก็เมื่อชำแหละอย่างนี้จนชํานาญชำแหละด้วยยานเนี่ยนะยานเนี่ยทำกิจชำแหละในทุกสิ่งอย่างนี้จน ชำนาญในทุกสังขารมันมองเห็นคุณเด่นพงปั๊ไว้เรียบร้อยเลยภายในสองนาทีนี่ชำแหละเรียบร้อยเบ็เสร็จหมดเลยนะําแหละในความคิดนะก็เรียบร้อยหมดแล้วก็ทําใจได้เลยใช่ไหมเอาความเที่ยงมาจากไหนจะเอาความสุขมาจากไหนจะเอาอัตตามาจากไหนถ้าทํากิจแต่คําว่าที่พูดเมื่อกี้นี่ไม่ใช่หมายคำว่าแค่ชาแหละแยกคาดเฉยๆนะ ชำระทั้งโดยอะไรแยกเยะโดยขันทาหรือยตนะสัจจาอินทร์ปิติจาสมุปบาทชำระโดยเหตุปัจจัยโดยอดีตอนาคตโดยตามวัยโดยนะทุกๆสิบปีเป็นต้นชำระชำระทั้งในส่วนแห่งรูปธรรมและนามธรรมเกิดการวิจัยอย่างละเอียดละออทีท่วนนั้นอันนี้จารักษณะก็ชัดทุกขลักษณะก็ชัดอนัตตลักษณะก็ชัดถึงจะยืนเดินนั่งนอนตามเดิมยังไงก็ยังไงก็ชัดใช่ไหม คือพูดถึงอย่างนี้นะถ้าถ้าเรามามองในสายอากุศลบ้างจะเห็นชัดสมมติถ้าเราไม่ชอบขี้หน้าใครสักคนหนึ่งแล้วเรามานั่งคิดความเลวร้ายของเขาทุกประเภทเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเดินมาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราไม่ค่อยชอบก็คนเดิมนั่นแหละมาก็กิริยาท่าทางวางทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่เราทบทวนความเลวของเขาไว้ในใจสมบูรณ์แบบหมดแล้วสรุปไอ้คนนี้ไม่มีความดีอยู่ในตัวเลยมั้นเห็นตอนหลังเดินกิริยาเหมือนเดิมถามว่าเรายังชอบเหมือนเดิมไหม นะไม่ชอบแล้วครับเพราะอะไรเพราะเราเห็นความเลวทุกอย่างด้วยอํานาจความโกรธเราเต็มที่เพราะฉะนั้นจะแต่งตัวเหมือนเดิมเราก็เกลียดเพราะอะไรเพราะเรารู้แต่ความเลวโดวยส่วนเดียวอันนี้นิสัยอะไรไหมสายโทสะถ้าสายโลภเลยไหมตอนแรกเราบอกไม่เคยชอบคนนี้เท่าไหร่แต่โอ้เขาดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมองได้แค่ไหนดีหมดเลยเราก็เลยชอบไปเลยถ้าจะเดินมาตามเดิมกิริยาเหมือนเดิมที่เคยไม่ชอบเห็นยังไงก็ชอบตามเดิม เห็นยังไงก็ยังชอบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมองเห็นแต่ความน่าชอบใจโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นโทสะเนี่ยนะมองให้ไม่ชอบเจริญจนไม่ชอบก็ไม่ชอบจนได้ราคาเจริญมองอยังไงสรุปชอบหมดเลยก็ได้ทีนี้ถ้ามาดองโาอะโลพะอโทสะอโมหะอย่างนี้บ้างแหละถ้าพิจารณาจนดีๆเนี่ยนะก็วัตถุเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งอโลพะอโทสะและ อโมหะเพราะวัตถุเด ah ียวกั ah 慢慢 اف, นเพราะเป็นท kind of ี่ตั้งแห่งโลภะก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งโมหะก็ได้เจริญให้เกิดโลภะมากๆก็ได้เจริญให้เกิดโทสะมากๆก็ได้เจริญให้โมหะเต็มที่ก็ได้นี้ก็เหมือนกันถ้ามาเจริญให้อโลภะอะโทสะอะโมหะเจริญบริบูรณ์เต็มที่ทําไมจะทําไม่ได้เห็นไหมราคะโทสะโมหะทําอะไรให้เกิดก็ทํากรรมให้เกิดกรรมที่เกิดก็ยังไปสู่วัตฏายาง ถ้าอาโลพะอโทสาโ ม, มหะที่เจริญไปแล้วสุดจริตกรรมก็บริบูรณ์ถ้าสุดจริตกรรมบริบูรณ์ก็กำจัดบาปอากุศลทำที่สุดแห่งทุกโดยประการทั้งปวงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องอ น, นิจจังก็คงไว้ต่ออีกพักสักครู่ก่อนนะจมัน